พันไปหาหมาเดี๋ยวนี้นะใจะเย็นๆก่อนพอนมทำมถึงได้ใจร้อนนักนะที่ริมที่ไหนกันฮะทำไมหาไปที่ไหนมาสกปกสรกโศกโกรธจังเลยที่นี่มันบ้านของข้าเองบ้านแกเหรออ่าใช่แล้วแล้วกาผาชบาที่นี่ทำไมอ่ะฮะอย่าเพิ่งถามได้ไหมล่ะไม่ได้ฉ้นต้องการรู้แกพาฉบาที่นี่ทำไมอะที่ดริมที่ไหนเนี่ยบนดอยแม่สเ้อยยังไงละ่ะ เองไม่เคยมาเทีย่ยวบนดอยแม่สระเลียงเลยหรือไงโดยแม่สระเลียงเหรอเนี่ยอืมไม่เคยรู้จักไม่เคยมาไม่เคยเห็นฉันมักจะอยู่บนดอยดอยบ้าดอย บ, อยบ่อหลองแกแกหยู่งแกเป็นสิแกชอบอยู่ด้วยทำไมเนี่ยพาเช่าไปจากดอยโสโครกสักทีสิวอยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <ไป S 2> พอนุอ่มอย่าดินไปดินมาแบบนี้สิพอนุ่มเบื่อปวดปวดแล<ป>้วกัน โอ้ยกวรจะตายอยู่แล้วโ อ, โอเอ็งก็อย่า ด, ดิ้นไปดิ้นมาทุรนทุรายแบบนี้พอนุ่มเพราะถ้าเอ็งยิ่งดินเลือด ก, ก็จะไหลออกมาเยอะเอ็งเสียเลือดเยอะหนะ่าเอ็งจะต้องตายเข้าใจหรือเปล่าล่ะก็โ่โลอย่างนี้แล้วพาเช่นมันนอนบนเสื่ขาที่ทำไมทาไมไม่พาเช่นไปหาหมอแล้วฮะมันต้องมีเหตุมีผลสิพอนุ่มเอ้ยผลอะไรของแกแล้วฮะเอ็งอยู่เฉยๆก่อนสิเวย้ยข้านาอุตสาเอาพามาพันแผลให้ เพื่อให้เลือดมันหยุดไหลแล้วเองก็จะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกนานแี่อเอ็งทําแบบนี้ยิ่งดินไปดินมาเดี๋ยวเลือดมันตกไหนเอ็งจะต้องตายนะเข้าใจไหมละ่ะฮะตอนนี้ฉันไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นละ่ะพาฉันขาหมอเดี๋ยวนี้นึกว่าท่านนี่ไม่อยากพาเอ็งไปหาหมอหรือไงก็ถ้าอยากพาฉันไปอยากช่วยฉันจริงๆแล้วก็แกก็รีบพาฉันไปทัทีสิวยตอนนี้ยังพาเอ็งไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละทําไมเล่าก็เพราะเอ็งโดนยิงหลายที เดินทางไปหาหมอนี่เอ็งก็จะสะเทือนมากเอก็งจะต้องตายก่อนถึงมือหมอน่ะสิฮะเข้าใจหรือยังล่ะไม่จริงอะ่ไม่เชื่อแกก็หกฉันอะเฮ้ยทำไมถึงได้พูดอย่าง พูเย็นนักหนานะฮะแกก็รีบพาเจ้าไปอีดอยบ้าบอกคอแต่ได้สัทีสิวะไม่ไปไหนทั้งนั้นฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องใช่สิฉันฟังภาษาชาวดอยสำเนียงชาวดอยเถืเอแล้วแกไม่รู้เรื่องหรอนี่เข้าใจยังเอาละเอาละใจเย็นๆนะพอนุ่มนะใจเย็นเมื่อต้องมาทำเป็นพูดดีกับฉันหรอกอยากได้เงินฉันนักใช่ไหมก็ได้บอกมาเลยอย่าได้ทรมารยอ่ะเดี๋ยวฉันเอาให้แก แล้วก็รีบพาฉันไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดเลยเข้าใจไหมอไหนอของของเองอยู่ไหนอ่ะเอออยู่ไหนก็บอกตามฉันนะกระเป๋าเาสื้อผ้าที่ดีไงอยู่ไหนฮะนี่เอง <Hey. S 1> ความจําเสื่อมจริงๆหรือว่าแกล้งทําเป็นความจําเสื่อมกันแน่วะเฮ้ย hey, ทำไมว่าฉันแบบนี้วะแกเป็นใครแล้วฉันเป็นใครอ่ะกกเป็นชาดอยและการศึกษาแกเป็นพวกชาวป่าชาวเขาเถื่อนบรมมารมอมเถื่อนส่วนชันเคนในเมืองขากรุงเทพ จบจากนอกใช่นะเว้ยแล้วไงเอ็งจบนอกแล้วทําไมไม่มีปัญญารักษาทรัพย์สินของตัวเองล่ะปล่อยให้พวกโจรมันปล้นไปจนเกลี้ยงได้ยังไงแบบเนี้ยข่ะควรจะเรียกเอ็งว่าไอ้ควายเลยดีไหมล่ะฮะนี่แกแกพูดเรื่องอะไรเอ็งโดนปล้อนอะไรก็นี่ไงเอ็งโดนยิงปางตายยังนึกว่าตัวเองปกติดีอยู่หรือไงฉโด น, นยิงฉันโดนปล้นเออพอจะนึกออกแล้วหรือยังล่ะ ถยังนึกไม่ออกเดี๋ยวจะแผ่นก บ, บานสักทีสองทีเพื่อสมองของเองจะได้หลอดแหล่นดีกว่านี้อีกอะฮะเออไม่ต้องอะเช่นพอจะนึกออกแล้วล่ะเออยังดีที่เองนึกออกไม่ใช่นึกไม่ออกแล้วมาปลักปล้าข่าหาว่าข่าเป็นคนปล้นเองทีนี้แหละข่าชวยแน่แนเลยบอกตามตรงนาข่าช่วยเองด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่เองมายัดเยียดความผิดไท้ข่าโดยที่ข่าไม่ได้ทำํำ เพราะมันทำให้ข้าเน่ะเคสคราวหน้าคราวหลังเห็นใครไร้รับบาดเจ็บก็ไม่นึกอยากจะช่วยอีกแล้วเข้าใจหรือเปล่าลกวแกใจดีกับฉันจริงๆเน่ยทำไมแกไม่มาพาฉันไปหาหมอสักทีแกต้องการจะให้ฉันตายไปอย่างาช้าๆใช่ไหมนี่นี่นี่นนนพอนุ่มพนุ่มขอถามหน่อยเถอะเอ็งไปเอาสมองส่วนไหนคิดวะเนี่ยฮะทำไมถึงได้คิดเร็วซามขนาดนี้ ก็ฉันที่ข้าไม่ได้พาเองไปหาหมอก็เพราะว่าระยะทางที่เองโดนยิงไปถึงมือหมอในอำเภอน่นะมันมากกว่าห้าสิบกิโลเชียวนะเองนะแล้วเองคิดดูสิโบกรถคันไหนคันไหนก็ไม่มีใครยอมรับสักคันหนึ่งอะมีจอดบางไหมล่ะอะเพื่อจะดูอาการของเองก็ไม่เห็นถาเดียวไม่มีขับเลยไปเฉยเลยพวกมันกลัวจะโดนยัดเยียดข้อหา เพราะเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วคนดีๆเลยไม่กล้าช่วยกล้าทํากลัวว่าอยู่ดีๆต้องโดนยัดเยียดความผิดต้องก้าวเท้าเข้าไปอยู่ในคุกด้วยความไม่จําเป็นน่ะแล้วทำไมแกไม่พาฉันไปเองอะ่ะไปยังไงอะ่ะทางเนือทางตัวของข้ามีแขกเวียนเท่านั้นเองเองไม่รู้เรื่องไงว่าการเทียบเวียนน่ะมันไม่นิ่งมันโยกไปโยกมาอนะความสดเทือนมันมีมากขนาดนั้น เองจะต้องตายกลางทางแน่ๆเลยอะ่ะแล้วการแกพาชันมานอนบนดอยแบบนี้แกแค่รว่าฉันจะรอดแต่ไม่มีใครทำแผลให้ฉันได้เลยนีน่นาฉันจะจบจนตายแน่เลยโอ๊ยปวดปวดปวดแล้วกันโอ๊ยเฮ้ยมาโอ้บาปวดแบ้่ใอใครเป็นอะไรเหรอจ๊ะเสียงร้องอดครวญเหมือนคนใกล้ตายอย่างั้นแหละเอ้อเช่ว่าจะตายพวกแกเป็นคนฆ่าฉันเองรู้ว่ซะด้วยว้าย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 ห่วงใยดูแลกันในวันที่ฉันเงาใจอยากจะมีใครที่จับมือกันเดินไปในคืนที่ฟ้ามืดมนแต่มันเหมือนสำโร่งความเปล่าไม่มีคนเข้าใจ เคยเจอใครสักคนอาจจะเคยมีคนที่เคยมองตากันแต่ก็ไม่เคยซึสงใจอาจจะเคย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 ในเงาที่มีดิจังหายไปช่วยเป็นสวงให้หัวใจยจะแค่ส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 ว่ามีห้หัวใจอยากจะขอแค่ใคสั ใ้มันนาหลายปีไม่กล้าใกล้เจอสักทีเจอกี่ครั้งก็ยังเปนอยู่เช่นเคยคุยกับตัวเองทำไมต้องกลัวเจอที่ไรใจมันเต้นรัวทงที่บอกกับตัวเอง อาจจะไม่น่ใจยาให้เขารู้เธอเองต้องแดออไม่ใช่ให้ใครบอก j t h o n g e t l e e u t e ไม่อาจวางสายทางเทียนทำได้ความหวังยังพิมรายเก่าตายมีไม่เสริชีวิตที่ผ่านพบนีลบยมมีเพิ่มขอเพียงให้เหมือนเดินกำลังใจง ยาอาวอนรักเราไม่คลอนทาง r o t g e h a y รับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment เขาเป็นอะไรเหรอเจ้าพ่อโดนปล้นน่ะสิ แล้วเหรเนี่ยอืมแต่หมายความว่าเถานี้มีการปลดกันบ่อยมากใช่ไหมใช่แล้วโทูบ่าก็ไม่ปลอดภัยสิไม่ว่าที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยด้วยกันทั้งนั้นแหละทําอะไรทุกอย่างจะต้องมีสติมีพระเจ้าอยู่ในใจภาวนาให้พระเจ้าน่ะทรงคุ้มครองเราเถวนั้เฮ้ยฉันเจ็บตาอยู่แล้วแกมทองเรื่องพระเจ้ามันยัดเยียดสมองฉันหรอฉันไม่มีวันศรัทธาพระเจ้าของแกเด็ดขาดนะนี่คุณทาไมถึงพูดแบบนี้ล่ะฉันพอจะจะพูดอะ แกมีปัญหาหรือไงนี่มีแล้วไปดีกว่าจะตายอยู่แล้วยังทําตัวนิสัยไม่ดีเป็นอันธพานอีกไปเลยไปแกจะไปตายที่ไหนก็เชิญเลยไปเลยไปนี่คุณนี่มันบ้านฉันนะคุณมีเสียอะไรมาไล่ฉันนะฮะอ๋บ้านแกใช่ไหมได้งั้นฉันไปเองอคุณ<อ>คุณเป็นอะไรบ้างอะฮะตัวปาะยุกับฉันนะ่ะ ต, ตัวประแต่งตัวฉันยิ่ขยักขยแยงชาวป่าชาวดอย เป็นสาบควายได้เกินอดีไม่อยากสนใจหรอกนี่แนะสบัดมือไปเลยโอ๊ยเ <c oughs> อ็งเป็นไงบ้างฮะโอ๊ยนี่แกจะฆ่าฉันจริงจริงหรือไงฮะจุดดีะสบัดมือจะทิ้งทําไมฮะอ้าวก็มันเกลียดชาวป่าชาวดอยนะไม่ใช่เหรอมือฉันนะ่ะมันเหม็นกลิ่นวัวสาบควายที่ร้ายไปกว่านี้ยมือฉันก็เหม็นขี้หมูด้วยจะบอกให้ไปยุ่งกับฉันโอ้ยเกิดมาคนใจร้ายใจดำเอามาหิดโอ๊ยใช่ ่านน่ามันใจไม้ไช้ระ ก, กมมากมากเลยล่ะไปดีกว่าเหม็นขี้หน้าคนเหมือนจะตายอยู่แล้ว เ, ออเวเดี๋ยวเดี๋ยวนางศรีลาพ่อมาั้งแขนฉันไวทำไมอะ่ะเออช่วยเอาน้าอุ่นเช็ดตัวพนุมนี้หน่อยนะ อ, อืมดูสิเสื้อผ้าเขาเปื้นเลือดไปหมดเลยกลิ่นเลือดเขาเหลือเกินแต่ว่าฉันนะเอเอข้าขอรอ้องละเถอพ่อทําไมจะต้องให้ฉันทําด้วยอ่ฉันน่ะเหม็นกลิ่นคนเมืองจะอ้วกแตกตาอยู่แล้วกลิ่นเหม็นตุตยยังกับเหม็นขี้มแมลงสาบยังไงอย่างนั้นแหละเฮียีนี่แกแกดูถูกฉันมากเกินไปแล้วนะแน่นอนสิที่คุณยังดูถูกฉันได้เลยทําไมฉันจะต้องพี่น้องพี่เท่ากับคุณด้วยคุณไม่ใช่พ่อฉันอี่ แล้วคุณก็ไม่ใช่พระเจ้าด้วยคุณมันก็แค่ผู้ชายนีลนามที่ปากแล้วก็เจ้าอารมณ์มากคนนึงเท่านั้นเองถอยโ ถ, โถแกอืดพ่อฉันไนะม่ทํานะอืมทางศิลาข้าขอร้องละ่ะถ้าเองไม่ช่วยทั้งความสะอาดให้มันแล้วใครจะทําให้มันกันละ่ะก็ปล่อยให้เหม็นไปเรื่อยๆดีแล้วเขาจะได้รู้ตัวเองว่าตัวเองอโศกโครกไม่ได้ต่างอะไรกับชาวป่าชาวดอยอย่างพวกเรานักหออรอกเฮน่าศิลาเอ้ย เห็นแกขาสักครั้งเธอะนะแต่ว่าพอจ้นะมะข้าขอร้องละอก็ได้ก็ได้ก็ได้ทำให้ก็ได้นี่แต่ขอบอกก่อนนะตอนเช็ดตัวให้อ่ะอย่าปากเสียถ้าปากมากนั่นล่ะก็ฉันจะเอาน้ำร้อนใน ก, กนะละมังเนี่ยเทใส่ตัวซะเลยแก่แก่ เจ็บนะบังนี่เอยมาร้องอดครวนทําเป็นสำออยหน่อยดิน้าน่ารําคาญจริงๆโธ่กูก็ไม่ได้มาเป็นชั้นนี่แกก็พูดได้สินี่จะพลาดอีกนานไหมฮะโอ๊ยนี่จะฆ่าให้ตายได้ไงเนี่ยฆ่าอะไรกันจะไม่ได้ไปทําอะไรสักหน่อยกูแกเอาผ้าชุบน้ำอุ่นเช่ตัวฉันขยี้แรงๆแบบนั้นอ่ะแกก็เจ็บปะสิแค่นี้ก็เจ็บซะละก็เจ็บปะสิโธเอ้ยแย่จริงๆเหมือนกับไม่ใช่ผู้ชายอย่างนั้นแหละอะไรนะ เมกพูดว่าไงอ่ะพูดอะไรอ่ะแกพูดอะไรอย่าไปย้อนฉันนะเปลา่าไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นแต่ฉันได้ยินฉันจําได้คุณจําได้แต่ว่าฉันลืมไปแล้วนี่นี่จู่จี้เฉยทอะน่ะยิ่งพูดมากฉันก็จะขยีผ้าแรงมากเท่านั้นนี่นี่นี่ี่ี่จับโอ๊ยจะให้ตายหรือไงก็ใช่สิตายจะได้ยิ่งดีพูดมากแล้วเกินแกเป็นคนใจร้ายจะดามอามามหิดใช่แล้วจะทําไมฉันเนะะี่ยฮะไปดูนะฉันรอดตายเมื่อไหร่แล้วก็ทํามาคุณรอดตาาายแล้วทํม ฉันจะฆ่าแกเป็นคนแรก เ, <ล>เหรอขอให้จริงทีฮหฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนเมืองน่ะจะใจดําขนาดนั้นได้จริงๆหรือเปล่าค่าคนที่ช่วยชีวิตคุณน่ะมันบาปหนาแค่ไหนไมันต้องพูดอ่ะโว่เถลงมานแล้วเกิ น, นเถลโมไม่หลับตา ส, สิพวกแกต้องการฉันตายแ น, น, นาเลยโอ้ยไม่ไหวแลว้วไม่ไหวแล้วจะทนไม่ไหวแล้วโอ้ย <nt> นี่คุณทําใจเข้มแข็งเอาไว้สิโอยทำไมถึงได้ใจสอนนักล่ะฮะโอ้ย อ้าวคุณทำไมถึงนิ่งไปล่ะอ๋อสลุบไปแล้วเหรอนี่คุณลืมตาสิปล่อยมันเถอะปล่อยมันสลุบฮะมันคงจะเจ็บมากจนทนไม่ได้สนบไปอีกเที่ยวหนึ่งแล้วล่ะอโถเอ้ยเวนกรรมอะไรอย่างนี้นะ คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้โปรดเขียนไปสนิยบัตหรือจดหมายสแสดงความคิดเห็นของคุณมาถึงเราที่ตู้ปอนนิบอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ห้าหมืน